เราจะสังเกตได้เห็นได้ในตัวของเรานี่เองเรียกว่าธาตุสี่ขันห้าธาตุสี่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับสลายตายไปไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ตลอดถึงวัสดุต่างๆนานวันพันปีมาก็สลายหมดมีไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยถ้าคนเราตายแล้วเอาไปทิ้งไว้ที่ป่าช้า ไม่มีวิญญาณแล้ววิญญาณไปสู่ภพภูมิอื่นเมื่อวิญญาณไปสู่ที่อื่นกายนี้ก็หมดความหมายเอาไปทิ้งไว้ป่าช้าก็เน่ามนหมินหมูนอนทั้งหลายแมลงวันทั้งหลายก็มาขี้แขางใส่เนื้อหนังมังสาซึ่งไม่มีวิญญาณอยู่ด้วยนี่ แตกสลายไปแล้วต่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ธรรมดาธาตุสีนี่เป็นตัวตั้งตัวตีหรือเป็นตัวยืนอยู่ที่พุโทโธพุโทโธเรานึกพุโทโธพุโทโธไว้ให้พิจารณาตามรูปเป็นของที่เกิดขึ้นได้รับได้ หันเข้ามาดูตัวของเรามาดูกายของเรามาดูใจของเรามาดูธาตุขันธ์ของเราเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายตายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จะต้องเข้าใจจะต้องเห็นชัดในการ พิจาณากายที่เราเรียกว่าวิปัสนาเนี่ยพิจาณากายก็พิจนาร่างกายของเรานี่แหละจิตออกจากกายนี่แล้วกายนี้ก็เปรียบเหมือนท่อนไม้และท่อนฟืนไม่มีอะไรทรงอยู่ได้เลยย่อมแตกสลายตายไปมดเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นไม่เกิดจึงไม่ตายไม่เกิดแลไม่ตายละ่ะ เช่นเข้าพันธิาพานไม่มีการกลับเกิดอีกอันนี้ให้พิจารณามาที่ตัวเราว่าตัวเราที่เห็นอยู่นี่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยให้รู้ว่ารูปคือกายนี้แตกสลายไปได้ให้พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงกายนี้ไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้ มันต้องแตกสลายวันนี้ยังไม่แตกสลายแต่ต่อไปวัดข้างหน้าน่นสิปียี่สิบปีข้างหน้าเรานี่ก็อยู่ในโลกนี้ไม่ได้เพราะร่างกายแตกดับไปแล้วอาศัยไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้มีสกิตวิญญาณที่จะต้องไปเกิดไปแก่ไปเก็บไปตายในพภพภูมิต่าง เป็นเทวดาหมดบุญแล้วก็ต้องจุติจุติมาเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นมนุษย์มันก็ต้องมีการเกิดการตายอีกเหมือนกันที่ว่าจะไม่ตายเลยไม่มีที่ว่าจะทรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่มีอยู่ได้ในโลกนี้ก็หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยปี ทันเองหลัง่างนั้นไปมันก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรละแตกสลายไปหมดนะอิงขนาดไหนดีขนาดไหนก็ตามก็แตกสลายหมดเข้ามารูปนี่ก็คือแตกสลายนนัเองให้เห็นว่าตัวเรานี่จะต้องเป็นไปตามอำนาจความดีและความชั่ว ถ้าเราความความดีไวมากตายแล้วเราไม่ได้ไปสู่ทุกขติภูมิเพราะว่าคุณธรรมที่เราปฏิบัติได้นี้มันบ่งบอกว่าเราไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นฉุกหรือเป็นทุกไม่เที่ยงก็เป็นทุกให้สังเกตดูให้ดีว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นไง มันไม่อยู่ในอำนาจของเราเลยนะเราว่าอย่าปวดมันก็ปวดเราว่าอย่าเจ็บมันก็เจ็บคนตายแล้วเองเอาไฟเผาดูมันไม่เก็บเพราะาร่างกายแตกสลายแล้วอินทรีย์ห้านี่ไม่อยู่ด้วยกันแล้วต่างคนต่างไปแล้วส่วนจิตวิญญาณจิตวิญญาณของค น, นของเราเนี่ย ก็ไปสู่ภพภูมิอื่นไปเกิดเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาไม่เกิดก็คืนนินพพานไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายพรานิพพานไม่มีแก่ไม่เจ็บไม่นแตายไม่เกิดอีกไม่แก่อีกและไม่ตาย เพราะฉะนั้นเราปฏิบัตินี้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อหาความสุขอย่างเดียวเราปฏิบัติเพื่อหนีจากกองทุกนี้ไปสู่พระนิพพานพระนิพพานเท่านั้นไม่เกิดธนทานเท่านั้นไม่แก่พระนิพพานเท่านั้นไม่ตายถ้ายังมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายอยู่นั่นยังไม่ถึงพระนิพพาน พรนนิพานไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโหหะไม่มีตัวตนที่เข้าไปยึดถือเอาได้ให้พิจารณาลงไปอย่างนี้ว่ารูปขันนี้ต้องแตกสลายต้องตายไปในที่สุดก่อนเราที่จะถึงความตายนี้เราต้องเล่งทำความภาคความเพียรปฏิบัติธรรม ให้ได้มรกได้ผลเกิดขึ้นในใจของเราถ้าเราได้โสดาบันได้สกิทาคามีได้อนาคามีได้ระาราหารันถ้าเราได้พวกนี้แล้วก็สุดสิ้นการเวรยียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะหมดสภาพแล้วหมดสภาพความคิดความถือแล้วก็ปล่อยวางธาตุคันนี้ ไม่ไปเกิดในภพไหนภูมิไหนอีกต่อไปเข้าถึงความสุขอันโูงสุดคือพระนิพพานถ้าเราปฏิบัติธรรมด้วยความจริงใจของเราเราก็จะเห็นชัดเลยว่าพระนิพพานนั้นไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็ไเกบไม่ตายพระนิพพานไปนอย่างนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็ไเกบไม่ตายเรียกว่าอมตะธรรม ทำที่จะบรรล้เรียกวอมะตะอมะตะแปลว่าไม่มีตัวตนที่เราเขา้าเข้าไปยึดถือเอาได้ยึดถือเอามาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เพราะมันมีความแตกสลายอยู่แล้วจะไปยึดเอาตรงไหนยึด ต, ตาว่าเป็นของเรามันก็ไม่ใช่ตาก็ไม่เที่ยงยึดหูยึดจมูก ยึดริ้นยึดกายหรือยึดใจยึดตรงไหนก็ไม่เที่ยงยึดตรงไหนก็เป็นทุกยึดตรงไหนก็เป็นอนัตตาอย่างปากของเรานี่ยึดแล้วนี่ยยึดถือแล้วตาของเราก็ยึดถือแล้วแต่มันก็ไม่สิ้นสุด มันไม่สิ้นสุดต่อเมื่อใดทำกายนี้ให้เห็นไม่มีราคาให้เห็นไม่มีโทสะให้เห็นไม่มีโมหะไม่ยึดไม่ถืออะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นตองพิณาให้เห็นชัดวิปัสสนาคือเห็นแจ้งในอริยสัจสีนี่แหละทุกสมุทัยนีโรดมากนี่แหละ เมื่อเราภาวนาอยู่เราก็จะเห็นว่าใจของเรานี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงรับสลายตายไปเหมือนที่ว่าหรือไม่ก็จะเห็นชัดได้ว่าตัวตนอันนี้ต้องแตกสลายตายไปในที่สุด เราจะยึดตรงไหนล่ะยึดตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เป็นเราเป็นของของเราได้ไหมไม่ได้ยึดไม่ได้ในที่สุดก็ต้องแตกสลายตายไปก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นไปเป็นเทพเทวดาให้เราพิจารณาลงไปว่าตอนนี้เราได้อะไรแล้วได้โสดาบันหรื อ, อยัง ได้สกิทาคามีหรื อ, อยังได้านาคามีหรือยังได้พระอรหันต์หรือยังถ้าเราได้แล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่ได้เราก็ต้องเกิดอีกแก่อีกเก็บ อ, อีกเป็นแสนกับแสนกันนานและเกิดกว่าจะได้พ้นทุกอืมแต่และกลับนี่โอ้ย มันจริงๆนะมันลำบากจริงจริงนะที่เราต้องมาเกิดมาเก็บมาตายนี่เพราะอะไรเพราะเราปล่อยวางไม่ได้เรายังยึดถืออยู่ยึดถือตายึดถือหูยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละถ้าเรายึดถืออยู่การเกิดก็ต้องมีถ้าเราไม่เกิด ไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายเราก็จะเห็นชัดว่าจิตใจนี้เบาสบายเบาสบายเย็นในใจลึกซึ้งมากเราก็จะเห็นได้ในวันนี้เห็นความเบาสบายในใจนั่นแหละทางพ้นทุกข์ะอืะทางเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์คือทางดําเนินไปเพื่อพระอาหารหันต เราต้องพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราตัวเราเราเอาไปได้ไหมไม่ได้เอาไปไม่ได้เผาทิ้งแต่ใจละ่ะไปที่ไหนถ้ามีบุญกุศลมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการบรําเพ็ญสมาธิปัฏนาอยู่ให้พิจารณาลงไปว่าใจเราตอนนี้มีความสงบพอเพียงไหม ถ้าพอเพียงก็ให้พิจารณาถ้ายังพิจารณายังไม่ไปยังไม่ได้เราก็อย่าไปกังวลใจให้คิดว่าความเกิดความแก่ข้อเกีเกเกประตายนี้ถ้าเราเป็นพระเยบุคคลแล้วเราก็หนีจากมันได้ไม่ยึดถือได้ไม่สำคัญมั่นหมายได้แม้ เ, เราจะมาเกิดอีกเราก็ไม่ตกต่ำ เพราะอะไรเพราะได้หั ด, ดจิตใจมีมรรคมีผลมีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วมีคุณธรรมในใจให้สังเกตลงไปว่ากายนี้เมื่อตายแล้วก็เน่าเหม็นในสูดก็แตกสลายไปเพราะดินเพราะน้ําเพราะลมเพราะไฟแตกสลายไปเลยไม่กลับมาเกิด เป็นล่างเดิมได้เลยถ้ายังไม่ทิ้นอาสวะที่มาเกิดก็ได้ล่างใหม่ต่อไปนี่แหละให้พิจารณาลงไปพิจารณาธาตุขันธ์อันนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีแก่ไม่เก็บมีตายตราบใดที่เรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์การเกิดของเราก็ต้องมีอยู่การยึดถือของเราก็ยังมีอยู่ ยังไม่ละเอียดพอถ้าเราได้เป็นพระอรหันนั่นแหละกิตของเราถึงจะละเอียดพอละเอียดจนไม่มีอะไรเข้าไปยึดถือเอาได้เป็นตัวเป็นตนได้ตามสมมติโลกเราก็คนวาสัตว์แต่ตามมันจะทำของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเป็นสัตว์หมดทุกคน มีเกิดมีแก่มีเก็บ ม, มีตายกันทุกคนต้องหัดปล่อยวางว่าเป็นของไม่เที่ยงยึดเอาตรงไหนก็ไม่เที่ยงเท่นั้นถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงนี่แหละเห็นชัดด้วยใจของเรานะไม่เห็นที่ว่านึกเอานึกเอาไม่ใช่นะนึกเอานึ ก, กว่าตรงนี้เที่ยงละ่ะนึกตรงนี้ว่าดีละ่ะ ไม่ได้เราไปทำงั้นไม่ได้ต้องรู้เห็นในใจจริงๆรู้เห็นในใจในใจของเราเนี่แหละไม่ใชเขาใจใ จ, ใจของคนอื่นหรอกใจที่เรามายึดมาถืออยู่นี่แหละมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาเขาไปยึดไปถือเอาไม่ได้ว่าเป็นตัวเราของเรา ไม่ได้หกสิบเจ็ดสิบปีแปดสิบปีแล้วก็ต้องไปอยู่ไม่ได้หรอกในโลกนี้นั่นแหละหย้อนเข้ามาที่ตัวเราตัวเรานี่แหละผู้เกิดผู้แก่ผู้เก็บผู้ตายอืมย้อนเข้ามามาดูดูให้เห็นชัดทำยังไงจะรู้ให้เห็นชัดต้องเข้าสมาธิเป็น ทำสมาธิให้เป็นถ้าสมาธิเป็นแล้วมันก็สามารถปล่อยวางได้ถ้ามันไม่เต็มมันก็ต้องเกิดแก่เก็บตายทุกทรมานอยู่ในวนัฏฏะนี้บางทีก็เกิดเป็นคนบางทีก็เกิดเป็นสัตว์ดาสานให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเรา มันมีความเจ็บความแก่ความตายทุกคนแต่เมื่อยังไม่ถึงตายเรามีชีวิตอยู่ให้รีบพากันทาบุญทำกุศลสร้างสมคุณงามความดีไว้ให้มากให้ทานไว้ให้มากรักษาศีลไว้ให้มากภาวนาให้ดีให้มีมากมีผลเกิดขึ้นท่านบอกว่าอย่าประมาท ก็คือไม่ให้หยุดทำความดีให้ตั้งใจทำความดีนั่นแหละจะเห็นความสุขภายในถ้าตายไปแล้วเห็นสุขในพระนิผ่านมีชีวิตอยู่ก็เห็นสุขในพระนิผ่านเกิดขึ้นที่ไหนเกิดที่ใจเรานี่เองเกิดที่กายที่ใจเรานี่แหละเมื่อใจสงบแล้วเอามาพิจารณาทางกายทางใจนี้ก็หลุดไปจากโลกอันนี้ ถึงซึ่งมาผลนิพพานเราทำเองคนอื่นทำไมไม่ได้เราเนี่ยทำเองรักษาเองเห็นรักษาศีลนรักษาแทนกันไม่ได้รักษาสมาธิก็แทนกันไม่ได้มรรคผลนิพพานแทนกันไม่ได้แต่เราต้องทำเอาเอง ครูบาอาจารย์ก็เป็นแต่เพียงบอกสอนว่าไอ้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ถูกบ้างผิดบ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วครูบาอาจารย์นั่นก็รู้ในใจของท่านหมดแล้วท่านปล่อยวางหมดแล้วท่านไม่ยึดถือแล้วท่านเห็นสุขที่แท้จริงในใจแล้วก่อนที่จะนิพพานท่านรู้หมดแต่ท่านก็ไม่พูด ผู้ใจดีเป็นพระามันต้องรู้รู้กิเลสของเราเองว่าหยาบหนาขนาดไหนอันนี้ต้องพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราจรึงจะเห็นโทษเห็นทุกข์อันนี้มันทีกระปวดแข้งปวดขาคนตายไม่เห็นมันปวดที่ไหนมันตายแล้วเอาควันเอาไม้เอาไฟเผามันยังไม่รู้สึกเลย อยไปยึดถือเอาตรงไหนล่ะเอาตรงไหนเป็นที่ยึดถือล่ะเอาไม่ได้สักอันนะเอาไม่ยึดถือไม่ได้เข้าไปยึดถือไม่ได้ถ้าเข้าไปยึดไปถือความสําคัญนั่นหมายตายไปตันรกไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีคุณงามความดี ไม่มีมากมีผลเสียเวลาที่มาเกิดในโลกมนุษย์นี้อยู่มาได้มากแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นพระนิพพานในใจเลยยังไม่เห็นพระนิพพานในการที่ว่าตัวตนของเรานี้เป็นของเราเลยมีแต่ความทุกข์ความเศร้าโศกมีแต่ความมีปัญหามากมายเป็นคารวาสหญิงก็ ความทุกข์มากมายขร่าวาสชายก็เหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้านี่ก็เหมือนกันต้องละความยึดความถือเหล่านี้ให้หมดอย่าเอามาไว้ในใจของเราเราจึงจะเห็นชัดในความปล่อยวางคือไม่ยึดไม่ถือในโลกนี้ว่าอันนี้แหละของเรา ตัวตัวนั้นนี่หละของเราไม่ได้เอาไปถือเอาไม่ได้เพราะมันเป็นของแตกสลายนี่เราไปถือเอาตรงไหนรูปก็แตกสลายเวทนาก็แตกสลายสัญญาก็แตกสลายสังขารก็แตกสลายวิญญาณก็แตกสลายคนเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่มีแม้แต่สัตว์ก็เหมือนกัน เกิดแก่เก็บตายเหมือนกันมนุษย์ก็เหมือนกันเกิดแก่เก็บตายเหมือนกันหมดไม่มีอะไรจะทำให้เที่ยงแท้แน่นอนมีแต่ไหลไปสู่ความแก่ความเก็บความตายทุกคนให้สังเกต ด, ดูใจของเรามันก็ไปตามเรื่องของเราเช่นเราเกิดกค่อยๆเกิดขึ้น ออกจากขันมารดาค่อยแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่เท่ามาก็ตายไปะถ้าไม่ทำความดีไว้เราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเหร ล, ลูกก็พึ่งไม่ได้เวทนาก็พึ่งไม่ได้สัญญาก็พึ่งไม่ได้สังขารก็พึ่งไม่ได้วิญญาณก็พึ่งไม่ได้ เมื่อกายนี้แตกสลายกิจเข้าไปที่อื่นไปเกิดในพวกลมที่ดีบ้างที่ชั่วบ้างแล้วแต่บุญกรรมของใครที่ทำไวพระรั้นพันจึงให้มาประมาทให้พยายามทำความดีให้เกิดให้เกิดให้มีในตัวเราหรือว่าในใจเรา ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเราต้องทำความดีให้ได้ความดีคือทานความดีคือศีลความดีคือภาวนาองให้เกิดให้มีขึ้นในใจของเราตั้งแต่เรายังไม่ตายนัย่นให้พยายามที่เคาะดูกายนี้ใจนี้เมื่อไม่อยู่ด้วยกันแล้ว ไม่ต้องไปคนละทิศทางส่วนใจก็ไปสู่สวรรค์ไปสู่พมรรคไปสู่นิพพานท่านว่าถ้าใจเข้าถึงว่านิพพานแล้วไม่มีทุกข์ทุกข์ไม่มีทำไงจะถึงว่านิพพานก็ทำตามมรรคแปดสมาธิความเห็นชอบ สัมมาสังกปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาวายมะพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติไว้ชอบสัมมาสมาธิตั้งสมาธิให้มั่นคงชอบ ถ้าเราเห็นชอบตามนี้เห็นดีเห็นถูกต้องตามนี้เราต้องพ้นทุกข์พ้นทุกข์อย่างแน่นอนไม่มีกิเลสแล้วจะไปทุกข์ตรงไหนอ่ะมันไม่มีที่จะให้ทุกข์อีกแล้วถ้าเข้าถึงวันนี้ผ่านแล้วนะถ้าใครายังไม่ถึงวันนี้ผ่านก็ให้ตั้งใจปฏิบตัติตามอริยมีโมเปร สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเนี่เห็นชอบเห็นอะไรเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเรียกว่าเห็นชอบเห็นความโศกเห็นความทุกข์เห็นความทุกข์กายทุกข์ใจทําไมมันยึงเห็นอย่างนั้นให้เห็นชอบคือคนเกิดมาแล้วต้องตายให้เห็นชอบอย่างนี้แม่เขาไปยึดถือเอา ไม่ให้เข้าไปสำคัญนั้นหมายว่าเป็นของของเราพอมันจะต้องแตกอยู่แล้วจะเป็นของเราได้อย่างไงเราก็เพียงแต่ดูแลรักษาไปอาศัยมันทาความดีอาศัยมันทาความชั่วอาศัยมันทาบาปอาศัยมันทบ า, านทบุญให้พิจนาเข้ามาที่ตัวเรา ตัวเรานี่ลองเอาผมออกเอาขนออกเอาหนังออกเอาเนื้อออกเลือกระดูกไว้อันไหนเป็นตัวตนของเราผมเหรือขนเหรอผมก็ไม่ที่อ่ ขนก็ไม่เที่ยงต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเลยไม่หลงหยึดหลงถือเอาว่าเป็นของเราของเราแต่เราก็ต้องดูแลต้องว่าโอ้มันจะแกยจะตายอยู่แต่ว่าเราต้องรักษามันไว้เก็บใข้ได้ป่วยก็ต้องสียาสีาอะไรหรือกินยาอะไรประคองมันไปอย่าให้นพึ่งตายเร็ว ตายช้าลงก็ได้ทําความดีมากขึ้นแต่ถ้าตายแล้วไม่มีความดีเลยมันจะมีทุกข์มากคือไปทรามานอยู่ในภพอื่นภูมิอื่นอย่างนี้เราต้องอย่าไปปล่อยทิ้งหรือปล่อยวางแบบชนิดเหมือนวัวเหมือนควายนีย่อันนั้นปล่อยวางยุงกัดก็ไม่รู้เรื่องอะไรต่ออะไรต่ออะไรนั่นแหละ คือมันทุกข์จนไม่รู้ว่าจะทุกข์ยังไงเออนี่แหละให้พิจารณาให้มันดีคนเราเกิดมาแล้วมีแก่มีเก็บ ม, มีตายมีความโศกความเสียใจมีความพิราพันตราบใดที่เราไม่ถึงมรรคนลนิพพานอย่าประมาทเลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าคนนั้นเหล่านั้นจะเป็นใครก็ตามไปไม่ตลอดรอดฟังหรอ ต้องอดต้องทนต่อความทุกข์อันนี้ที่จะเกิดขึ้นในตัวเราคือความแก่ความเก็บความตายนี่แหละจะเกิดขึ้นแก่เราทุกคนพวกเราทุกคนก็มีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายมีพระนิพพานเท่านั้นไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายเมื่อไม่มีเกิดก็ไม่มีแก่เมื่อไม่มีแก่ก็ไม่มีตายเมื่อมีเกิดมีแก่มีตายอยู่ก็เรียกว่ายังไม่เที่ยงอยู่ แต่พระนิพพานนี่ไม่มีเกิดแก่เก็บตายไม่มีพบนั้นพบนี้อีกวางได้หมดหวางความคิดความถือได้หมดไม่สำคัญว่าเป็นตัวตนที่ประเสริฐเลิศเลืออะไรต่งางๆหรอกเกิดมาสวยบ้างไม่สวยบ้างก็เพราะบุญกรรมที่เราทำไว้ก็ได้ รูปแบบนี้ได้รูปอย่างนี้บางคนก็หัวโนกหัวตึงมาตั้งแต่เกิดก็มีสรารพัดแต่มันจะเป็นไปนเราไม่มีอำนาจตกแต่งมันหรอกมีแต่อย่างดีเขาก็ไปร้อยไหมเทนั้นแหละให้มันตึงขึ้นมานั่นแต่มันก็อยู่ไม่ได้นานแล้วหมดฤทธิ์ยาหมดฤทธิ์อันนั้นก็หน้าก็ ไม่น่าดูและความแก่ความนี่มันจะเป็นยังไงหลืมันก็ค่อยแก่ไปแก่ไปอยู่เราพยายามที่สกัดกั้นมันไม่ให้แก่ให้เกี่ยวพัอตายไม่ได้แล้ให้มันเกิดเป็นแก่มันเกี่ยวมันตายไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันถึงเราจะทำขนาดไหนทำเต็มที่เต็มทางมันก็ต้องวางกันในที่สุด เมื่อเกียร์เก็บตายพุทธเจ้าแต่ไวชัดเกนเลยไม่มีข้อสงสัยเพราะาเราเห็นด้วยใจของเราแล้วเห็นด้วยตัวของเราแล้วเห็นชัดแล้ววางขันนี้ได้แล้วทุกเหล่านี้จะอยู่หรือจะไปหรือจะอะไรท่าองค์เห็นหมดแล้วแม้ภาษาวกอรหันต์ก็เหมือนกันท่านก็เห็นหมดแล้ว เห็นอะไรเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายท่านจึงไม่ยึดถือเอามายึดถือเอาตัวนั้นไม่ยึดถือเอาตรงนี้ม่ยึดถือโน่นนี่ให้มันลำบากปล่อยวางเสียอย่างเดียวเท่านั้นกถึงความสุขถ้าเราปล่อยวางได้ก็ดีเหลือเกินล่ะถ้าปล่อยวางไม่ได้จะทำไงคอยพยายามภาวนาไปหรือปฏิบัติไปในที่สุดก็ปล่อยวางได้ตอนหนุ่มตอนสาวอยู่ ไม่พ้นทุกข์ถ้าเรายังทำอยู่ปฏิบัติอยู่มันต้องได้สุขแน่นอนได้พระนิพพานแน่นอนให้พิจารณาลงไป ท, ที่ตรงนี้แหละถ้าทำไม่หยุดทำอยู่เรื่อยทำไมมันจึงจะไม่เกิดคุณความดีอันนี้ได้ละ่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นให้หัดป่อยหัดวาง ค่อยวางไปวางไปมันก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้ามันก็ไม่ยึดถือเอาตรงนั้นตรงนี้ว่าเป็นเราเป็นของของเรารู้แต่ว่าสักวันหนึ่งมันต้องไปแล้วก่อนที่จะไปต้องทำความดีให้มาอย่าถอยอย่าท้ออย่าหมดกำลังใจในการทาความดีเพราะความดีนั่นแหละทำให้เราเป็นสุขในมนุษย์เป็นสุขในเทพ เ, เทวดา เปนสในพระนิพพานเราต้องทำให้ดีเราต้องพยายามทำให้ดีเรียกว่าวิปัสสนาคือให้รู้แจ้งเห็นจริงในตัวเรานี่แหละใครมาเทศก็พูดด้านเดียวกันนี่แหละมีความแก่ความเก็บความตายเหมือนกันหมดให้เราพิจารณาอยา่างนี้พิจารณาไปที่ตัวเราไม่ให้ยึดถือ ให้ปล่อยวางให้เห็นความสุขความสบายที่เกิดขึ้นเพราะใจเราวรรลุมรรคผลทำพิเศษใจเราก็สบายไม่เป็นทุกข์อีกไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บ ไ, ไ, ไ, ไม่ตายอีกนี่แหละขเขาเรียกว่าพ้นทุกข์คือไม่เกิดก็พ้นทุกข์แล้วไม่แก่ก็พ้นทุกข์แล้วไม่เก็บก็เป็นพ้นทุกข์แล้ว เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นน่าตาให้พิจารณาเข้าไปดิพี่นาว่าเราวางได้ไหมวางธาตุวางขันนี้เราวางได้ไหมวางได้ถ้าจิตเราเป็นสมาธิแล้วถ้าจิตจะไม่เป็นสมาธิมันวางไม่ได้ปัญญ า, ยามไม่เกิดปล่อยวางไม่ได้มันก็มีทุกข์ ถ้าปล่อยวางได้มันก็พก้นทุกข์เมื่อพ้นทุกข์ก็ถึงความสุขอันแท้จริงไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเลยอยู่เหนือกรรมดีอยู่เหนือกรรมชั่วกิดปล่อยวางหมดความยึดมั่นถือมั่นถึงสุขอันแท้จริงขอให้ตัง้งใจปฏิบัติไปตามที่อธิบายนี้ อราเห็นว่าคนเราเนะี่ไม่เที่ยงสัตว์สาตว์สิ่งก็เหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันเกิดมาแล้วก็ตายเหมือนกันเองขนาดไหน อ, อก็ต้องตายก่อนที่จะเป็นเช่นนั้นเราต้องหัดใจของเราให้เป็นหนึ่งให้มีอารมณ์เดียวให้มีเรื่องเดียวที่จะต้องคิดนึกคือพุโตพุโตนั่นแหละ นึกจื่อพระริเจ้านึกคุณธรรมของพระริเจ้านึกถึงความดีของพระริเจ้าความประเสริฐของพระริเจ้ามีความปล่อยวางเป็นที่สดุดถ้าวางได้แล้วมันก็ไม่ยึดถืออะไรถ้าวางได้แล้วมันก็ไม่ยึดถือ ถ้ายังไม่วางมันก็ต้องยึดถืออยู่แต่ถ้าวางแล้วจะไปยึดถือตรงไหนล่ะตามันก็ไม่ใช่ของเราหูวก็ไม่ใช่ของเราแล้วปากก็ไม่ใช่ของเราแล้วมันจะไปสําคัญนั้นหมายในตัวตนได้อย่างไรเอาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้พยายามทาให้มันดีเรานั่งสมาธิมาแล้วก็เห็นแล้ว ว่าใจของเราสบายหรือไม่สบายถ้าทำเป็นแล้วสบายทุกคนถ้าทำไม่เป็นก็ไม่สบายอึดอัดขาดข้องอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเราภาวนาเป็นแล้วโอ้สบายมากอยู่ก็สบายตายก็สบายเป็นอะไรก็สบายหมดขอให้เราปฏิบัติให้ถึงธรรมของพระพุทธเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์จึงจากโลกนี้ไป จึงเรียกว่าพ้นทุกแล้วเป็นผ้ารหาหันแล้วไม่เกิดในภพไหนภูมิไหนอีกแล้วนี่แล้วก็ไม่มีกิเลสน้อยใหญ่อยู่ในใจเลยนี่แหละให้ตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อย